พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าคำว่าไม่มีขออย่าให้ข้าพเจ้าได้ยิน วันนี้เป็นวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2557วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เป็นวันครบรอบที่พวกเราได้นัดกันศรัทธาญานโยมพร้อมพระสงฆ์ที่ได้ไประชุมหาหรือกันปรึกษากันว่าเดือนหนึ่ง น่าจะมีการพบสังสรรค์เรียกว่าพบในการประพฤติปฏิบัติธรรมในบรรดาลูกศิษย์คณะศิษย์ขององค์หลวงตาพวกเราก็ได้นัดเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันครบอาทิตย์ที่พวกเราจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล แล้วก็เมื่อพบกันแล้วพวกเราก็ควรจะทำประโยชน์ในชุมช น, นหรือกลุ่มของพวกเราเราก็ไม่มีการากะเกณหรือว่าตั้งกฎอะไรมากเพียงแต่ว่ามาเจอมาพบกันแล้วก็ควรจะมีทานมีศีลมีภาวนาและก็มีการฟังสัมโมทนายกถา ที่ครูบาอาจารย์มาแต่ละกลุ่มแต่ละคณะเพราะนั้นในวันนี้พวกเราก็ได้มา ร, รวมกันไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็หลวงพ่อเองในฐานะประธานหรือว่าเป็นหัวหน้าที่นั่งหัวแถวก็จะได้กล่าวสัมโมทนายกถาปารบเรื่อง วันพรุ่งนี้หรืหว่างงานของพวกเรามีอะไรบ้างถ้าไม่มีการปรับรบเลยมาแล้วก็ไหว้พระจบแล้วก็ฟังเทศขององค์ลุงาตาแล้วก็พวกเราไม่ได้ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ไม่รู้ว่ากฎกติกาของท่านมีอะไรบ้างอันนี้เพราะนั้นหลวงพ่อมาแต่และครั้งก็ได้พูด ยกประเด็นนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังเพื่อเป็นการได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะการอยู่ด้วยกันมากอ่ามายหลายท่านจะต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มารวมกันแล้วก็ทําพิธีไหว้พระแล้วก็วันกรุงนี้ เช้าก็คงจะมีพิธีการตักบาทแล้วก็ถวายพระทาหารจากนั้นแล้วก็จะมีการถวยายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขององหลวงตาแล้วก็ถวายผู้ที่จะร่วมทำบุญเสียงธรรมเพื่อประชาชนของค์หลวงตาก็ได้อย่างตู้เซฟสองใบตั้งเรียงกัน มาคราวนี้ข้าพรเจ้าจะบูชาพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตาเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเว่าการให้ทำชี้แนวทางให้คนรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปปูนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนั้นทันว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้อย่างอื่นให้เงินคำทรัพย์สมบัติพอกินไปแล้วก็แล้วหมดไป แต่ให้ความรู้ความฉลาดเนี่ยหมดไม่เป็นเอาไปใช้เอาไปบริหารจัดการากับตัวเองเอยิ่งให้ธรรมะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสยิ่งเลิศประเสริฐจนท่านจึงว่าให้ความรู้ความฉลาดให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงชนะการให้เงินคำทรัพย์สมบัติให้สิ่งให้ของแปลว่า การให้ทมเป็นการชนะเลิศประเสริฐกว่าการให้สิ่งของทั้งปวงเพราะนั้นพวกเราได้มาสู่วัดเราก็อ่านดูว่าอื้ออันนี้คือเป็นการบูชาธรรมขององค์หลวงต า, อ, าองค์หลวงตาจะได้ประกาศพระธรรมคำสอนทุกวันเพราะว่ า, าการประกาศธรรมคำสอนถ้าพวกเราไม่มีใครพูดใครกล่าวอะไรให้ฟังพวกเราก็คงไม่ เข้าใจหรือไม่รู้ว่าการประกาศทำนี่ที่องค์หลวงตาแสดงทำเนี่มีค่าใช้จ่ายไหมมีนะคณะตถาญาติรวมลูกหลานตั้งแต่องค์หลวงตายังมีชีวิตอยู่ท่านก็พวกเราเข้าไปหาองค์หลวงตาบอกว่าไทรคมสองเนี่ เ, เขาคิดปีละห้าล้านหลวงตาหลวงตา ถ้าจะเหมาไปเลยปีละห้าห้าล้านห้าล้านเนี่ยสามสิบปีเขาหกปีเขาจะยืนพื้นเนี่ยเขาจะยืนพื้นให้หปีเขาจะไม่ขึ้นไม่เกินถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมาใจยืนพื้นน่ะเขาจ ะ, ะคิดเป็นปีปีทางว่าปีไหนลงก็ไม่ว่ากันแต่ปีไหนขึ้นก็จะขึ้น เทนี้พวกเราก็ประชุมหารือกันถกเถียงกันบรรดาสิทธ์ไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยบอกเอา้าขึ้นไปหาท่านที่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องขององค์หลวงตานี่ไม่ใช่เรื่องของเราจะเป็นผู้จ่ายเมื่อไหร่หลวงตาจะจ่ายหรือไม่จ่ายหลวงตาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติมันเป็นเรื่องของหลวงตาจากนั้นพวกเราพาดเกือบยี่สิบ เกือบ30องค์ก็ขึ้นไปกราบหลวงตากาบับกราบเรียนท่านว่าหลวงตาครับหลวงตาจะจ่ายเป็นปีๆหรือ ว, ว่าจ่าย5ปีเขาคิด5ล้านบาทแต่ต่อ1ปีหลวงตาจะจ่ายจ่ายยังไงครับผมสุดแท้แต่องค์หลวงตาจะพิจารณาเอายังไงครับผมพวกผมพวกเราของผมไม่ไม่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ ลงตากัรับนับท่านก็หลับตาเน่งอันนี้เขาเอาทีเดียวใช่ไหมเขาเอาครั้งเดียวใช่ไหมเราก็เลยกราบเรียนท่านว่ า, าปีชนปีก็ผมปีนี้เขาเอาห้าล้านาปีต่อไปเขาก็เอาอีกห้าล้านปีต่อไปเขาอีกทุกปีก็ผมจนถึงครบหปีหลวงตาท่านเออเอาตกลงนะตกลง อันนี้ก็คือจ่ายเฉพาะค่าเช่าดาวเทียมไทยคมสมัยนั้นนะและก็ค่าใช้ใจ่ายในสถานีวิทยุที่บ้านตากอีกค่าน้าค่าไฟค่าพนักงานดูแล อ, อีกะนะอันนั้นก็ใช้เกือบเดือนแะเกือบเป็นแสนบางเดียวนี่มันอาจจะแสนกว่าเพราะเราเพิ่มเงินเดือนให้เขาเป็นแสนต้นๆนั่นแนหะไม่มากแต่ทั้งยังไงก็มีค่าใช้ใจ่าย ตลอดที่สวนแสงธรรมของเราสวนธรรมก็ถามคุณชายหรู้ใช่ไหมเดือนหนึ่งก็หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันค่าน้ํามค่าไฟค่าดูแลสถานีวิทยุเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีค่าใช้จ่ายมไหมก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราไม่ต้องหนักใจเพราะบุญบารมีขององค์หลวงตาท่วมทน้นแต่พวกเราอยากจะได้บุญ อยากจะบูชาพระธรรมคําสอนของท่านที่เราได้รับพระธรรมคําสอนขององค์ท่านเราอยากจะได้บุญเราจะโมทนาทําบุญติดกันเทศให้ถวายท่านคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันนะหรือไม่ทําอะไรเลยก็ได้แต่เราก็ไม่ได้บุญนะเราก็ได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราบูชาพระคุณท่านเราก็ได้บุญที่ว่าเราส่งเสริมถวายพระธรรม คำสอนขององค์หลวงตาให้ทำเป็นทานก็คือเราส่งเสริมเนี่ยาธรรมเทศนาค่าไฟค่าเช่าเดาวเทียมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นเรื่องสถานในวิทยุของเรามีค่าใช้จ่ายและก็พร้อมกันพวกเราเกิดคิดอยากจะสร้างพระเจดีย์ถวายพระคุณขององค์หลวงตาเพราะพระคุณหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ถ้าลงตาล่วงลับดับขันไปแล้วพวกเราไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเชิดชูบูชาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิาณุสิ์ทั้งหลายจึงได้รวบรวมจตุปัจจัยไว้แต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไร เ, เพราะยังการออกแบบอยู่สถานที่ยังไม่ชัดเจนแต่วันนี้ก็คณะสงฆ์ก็ได้มาประชุมกันอยู่บนศาลาชั้นบนนะครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะ หารือกันเพราะเราจะตั้งคณะกรรมการบริหารเรื่องจะสร้างเจดีย์พิพธภัณฑ์เนี่ยกรรมการกี่ท่านดูแลยังไงวิศวกรสถาปนิกผู้จ่ายเงินตรวจรับงานอย่างนี้แหละให้เข้าตั้งเป็นกลุ่มเมื่อวันนี้ก็เพียงหารือเป็นหลายครั้งแล้วล่ะแต่อยู่ที่สลากลางเนะี่ยครั้งนึ่งแต่วันนี้ก็ได้มาประชุมกันเป็นรูปธรรมอีกระดับหนึ่งคงจะประชุมกันหลายครั้ง ก่อนที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดพวกเราไม่ต้องนักใจเพราะบุญบารมีขององค์หลวงตานี่ยนะถึงอย่างไรพวกเราทําแบบสไปสบายแต่ไม่มีส่วนร่วมเสเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าหลวงตาเป็นผู้มีคุนูปการนะพวกเราควรจะมีเป็นอามิชบูชาอาปูชาพระคุณพระคุณ ข, ขององค์หลวงตา อันนี้ก็ควรจะมีนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยวันที่วางศีลละเลิกครั้งแรกที่จะสร้างเจดีย์แต่เก่านั้นก็พับไปแล้วแต่หลวงหลวงพ่อยังไม่พับนะหลวงพ่อยังยึดยืนยัดคาเก่าอยู่ที่หลวงพ่อประกาศว่าเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของกองหลวงตานี่จะสร้างขึ้นมาเมื่ อ, อไรอย่างไรผมเองในกลุ่มของหลวงพ่อเนี่ยในคณะสิทธิรารถศีลกุลของหลวงพ่อหลวงพ่อรับ ที่จะหาทุนเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยห้ล้านบาทหลวงพ่อยังยืนหยัดยังยืนยัยยนยคําเก่าแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจเพราะเหตุใดเพราะว่าหลวงพอ่อบอกว่าการที่จะถาวายหลวงตาเนี่ยไม่ใช่เอาเงินก้อนนะถ้าว่า ง, งวดนี้งวดหนึ่งจ่ายงวดหนึ่ง20ล้านหลวงพ่ออาจจะรวบสมทบสองหรือามล้านต่อไปอีก งวดนั้นเท่านั้นหลวงพ่ออาจจะเพิ่มเขาอีกจนกว่าเจดีจะแล้วเสร็จทุกจากหลวงพอ่อรับว่าจะช่วยเจดีของหลวงตาเพื่อเป็นอามิชบูชาแต่ปฏิบัติบูชานั้นเต็มหัวใจมีใจเท่าไหร่หลวงพ่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาในการคิดดีทดําดีพูดดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแต่อามิชบูชาเป็นสิ่งภายนอกหลวงพ่อจะพยายาม ทำให้ดีที่สุด เ, เพราะว่าถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ อ, เ, อ, อเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังอย่างวันพรุงนี้แหละพวกเราจะได้ทอดผ้าป่าสามคัคคีทั้งสองอย่างคือบูชาเสียงธรรมะขององค์หลวงตาบูชาพระคุณคือจริระร่างกายของหลวงตา ที่เราจะบรรจุพระาธาตุขององค์หลวงตาคือกระดูกคือพระาธาตุขององค์หลวงตา เ, เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาทั้งสองอย่างและก็พร้อมการเมื่อวันพรุ่งนี้เมื่อเราทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์อารมณมธนาให้พรแล้วก็จะมีการเททอง เ, อเททองหล่อลูกเหมือนองค์หลวงตาในกําลังพวกเราเห็นกําลังที่ เผาหุ่นอยู่เนี่ย แ, แล้วก็วันพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็คงจะร่วมรวมกันสวดอิติปิโสหรือสวดชัยมงคลคาถาจากนั้นพวกเราจะได้ร่วมกันหล่อลูกองหลวงตาเมื่อหล่อแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคณะกรรมการกุญชายบอกว่าจะเอาไว้ที่ห้องห้องธรรมะข้างบนศาลาหลังนี่ที่เรานั่งในชั้นล่างนะ จบเอาขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนลูกเหมือนที่เราจะหล่อนี่น่ะเอาไว้ที่สวนแสงธรรมแห่งนี้ละเอาไว้กราบไหว้เคารพสักการะบูชานี่แหละวันพุ่งนี้ก็ท่าว่าคณะสัายาติโจมลูกหลานาทุกคนทนะั้าเมื่อได้ยินแล้วก็บอกต่อๆกันชักชวนกันม า, าสร้างบุญสร้างกุศล ร, ร่วมกันรวมพลัง รวมพลังกายวาจาใจของพวกเราเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงต า, เ, าเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลของพวกเราแล้วก็พร้อมกันวันพุ่งนี้เป็นวันที่28นะยี่สิบแปดเก้าหนึ่งไม่กี่วันพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาปีใหม่แปลว่าเราทำบุญส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่สร้างคุณงามความดีเพื่อชีวิตของพวกเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกโทษทันทั้งหลายที่มีอยู่ที่ปีที่แล้วมันมีอะไรที่ไม่สบายใจในการเป็นอยู่ของพวกเราขอให้หายเคาะหายเข็นไปขอสิ่งไหนที่เป็นสิริเป็นมงคลขอให้มาเกิดบังเกิดกับพวกเราท่านทั้งหลาย นี่แหละอันนี้เราทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม่เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะญาติโยมลูกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกันการทำความดีนั่นแหละเลิศประเสริฐกว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าทำความดีก่อนดีกว่าขอพร แต่บางคนบางท่านจัด t าญาติโยมหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะเป็นพระ เ, เห็นจัด t าญาติโยมบางคนก็ไปขอพรตะบี้ตะบันทุกวันบางทีก็กินเหล้าเมาอีกต่างหาหัวฟัดหัวเวียงไปขอพรก่อนเข้าพรรษาตอนออกพรรษาพรปีใหม่กินเหล้าเมาซะก่อนไปขอพรแต่ตามไม่จริงเราต้องทำความดีซะก่อน จึงขอพรมันจึงจะถูกนะเราสร้างคุณงามความดีซะก่อนเราจึงขอพรไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็ขอพรด่ไปเลยตัวเองก็มองหาคุณงามความดีตัวเองก็ไม่ได้ทั้งเผลอๆ อ, อย่างเมา ห, หัวพัดหัวเวียงอีกไปขอพรจากพระอีกพระโอ้จะขออย่างไงยังไปเถียกับพระอีกอยากจะได้พรฮะดูๆแล้วมันยังไง เพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการทำคุณงามความดีนั่นแหละดีกว่าขอพรแต่ตามไม่จริงทำคุณงามความดีแล้วเราไปขอพรเป็นเสริมเข้าไปอีกอันนั้นคือเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างชายทุกข์ตาทั้งสมัยก่อนพระอนุรรธเถระนะพระอนุทรอนุ พระอนุรุธทธะเถระท่านสวยชาติชาตินั้นท่านเป็นทุกตะเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าคามขายเลี้ยงเลี้ยงชีพเกี่ยวหญ้าคาขายเลี้ยงชีพมีแต่มีลูกขึ้นมาแต่คงจะไม่มีผมไม่มีลูกคงจะมีแต่ครอบครัวมีแต่สามีพันยาอตอนเช้ามาได้ก่อนไปแต่เช้าไปเกี่ยวหญ้าคา เ, เสร็จแล้วก็ ผู้แม่บ้านเขาก็ทำอาหารอรอไวอ้พอเกี่ยวหยญ้าคามาเสร็จแล้วก็วางหญ้าคาเสร็จแล้วก็เอาเอกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาไถ่หญ้าและก็ขายหญ้า อ, อันนั้นคือชีวิตที่ท่านอนุรุธท่าตกทุกข์ได้ยากแปลว่าทำอย่างนั้นเป็นประจบแต่วันหนึ่งท่านก็ อนุรุธะท่านก็เป็นทุกขะตะยังไม่ใช่อนุรุธะเป็นทุกขะตาท่านก็ไปเกี่ยวหญ้าไปเก็บหญ้าคาคือวันหนึ่งไปเกี่ยววันหนึ่งไปเก็บลักษณะอย่างนั้นะพอกเกี่ยวเสร็จแล้วเอามาไม่ได้นะมันต้องตากให้แห้งซะก่อนพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็ตากตากตากแล้วก็วันต่อไปเลยไปเอาจำนวนที่มันตากแห้งนั้นอกลับมาแล้วก็ไปวันนี้ก็ไปเกี่ยวไว้ซะก่อนญาติพวกอาชีพเขาเกี่ยวหญ้าคา ทำลังคายังทำลังคาแฝกหลังค า, า, า, ายากคาเนี่ยเอ่อทีนี้เขาท่านก็ไปาอาบมาเสร็จแล้วอาบมาเสร็จแล้วท่วานก็มาวางไว้ที่บ้านเนี่ก็ไปอาบน้ำเนีไปอาบน้ําอาบท่าแล้วเดกลับมาแล้วก็ทานอาหารพอทานอาหารเสร็จแล้วก็จะไผ่หญ้ขายต่อไปอันนั้นคือชีวิตประจําของทุกกระแต่ตอนนี้ท่านก็ไปอาบน้ําพออาบน้ํากลับขึ้นมาเห็นพระปิจเจร พระเปโจกพุทธเจ้านะพระเปโจกพุทธเจ้าเลยท่านอยู่ในภูเขาขันทมาศอยู่ในป่าหิมพานท่านเข้าฌานสมาบัติท่านไม่ฉันอาหารเจดวันไงอันนี้คันนว่าพระพระเปโจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ตาวกที่ท่านเข้าฌานสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติท่านไม่ฉันอาหารเจดวัน แอค่ายว่าขั้นเข้าสู่นิพพานในขณะที่ยันท่านยังมีชีวิตอยู่พระหันที่จะเข้าสู่นิพพานได้สามจำพวกเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทั ป, ปัโตแต่อราาหัะอรหันต์ที่เป็นสุขวิปัจโกท่านบาเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาแล้วก็เห็นอันิจางพวกขังอนัตตาแล้วก็ตัดกิเลส ท่านพระอรหันตุขวิปัสสโกนี่จะเข้านิโรธสมาบัตไม่ได้พระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติได้ก็คือพระอรหันต์สามจำพวกในที้พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าท่านก็เป็นรองจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์กษวกพระปัิเจกพุทธเจ้านเหนือกว่าฤทธเดชนะภิเนหานบุญหนักศักย์ใหญ่กว่าพระอรหันตสาวกท่านอยู่ในป่า ท่านก็เข้านิโรธสมาบัติของท่านไม่สวยไม่ทานไม่ฉันอาหารเจ็วันท่านเข้าสู่วิมุตติสุข ค, คือเข้าสู่นิพพานเข้าสู่นิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ดรียว่าอุปาทิเสสนิพพานถ้าหากว่านิพพานขณะที่ร่างกายแตกสลายตายลงไปเนี่ยเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพาน อนุปาทิเสสนิพานคือกุล น, นิพานมีอยู่สองแต่พระปัจเจพุทธเจ้าท่านเข้าอุปภภาทิเสสนิพานท่านเข้าไปหามุมสงบท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานเออเราจะเข้าเสวยวิมุตติสุขสักเจวันเออเหมือนกับท่านขับรถไปแล้วไปอยู่ที่ปลอดภัยจะไปจอดในถ้าแล้วไปจอดที่ล่มเออเสร็จแล้วท่านก็ติดเครื่องเอาไว้แลชชชชชชช้ชึงช BIG ึ้งชึ้งชงงงงงนะ เออเพราะอะรเพราะว่าท่านไม่ดับเครื่องนะแต่ร่างกายเนยยังหายใจปกติอยู่หายใจยหัวใจถ้าก็เต้นปกติอยู่แต่ท่านไม่มีความรู้สึกท่านเข้าสู่นิพพานไปสวยวิมุตติสุขพัฒนยใจของท่านความรู้สึกของท่านเข้าสู่นิพพานความบริสุทธิ์ของท่านแต่ร่างกายของท่านเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งเออหายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่ว่า ท่านไม่มีความรู้สึกท่านเข้าสู่นิพพานก็ว่าเข้าสู่อุอปาทิเสสนิพานธานตุจากนั้นเมื่อท่านออกมาออกมาได้กาหนดเข้าไปชมนิพพานสวยวิมุตติสุขในนิพพานแล้วท่านก็ออกมาเข้ามาสู่ร่างกายเหมือนกับในขณะนั้นถ้าจะเปรียบเทียกบก็เหมือนกับพวกเราขับรถไปไปก็ไปจอดรถไว้อยู่ใน อยู่ในที่ปลอดภยัยจากนั้นเราก็เข้าไปชมตลาดลักษณะอย่างนั้นแหละ เ, เข้าไปชมตลาดเข้าไปเที่ยวตลาดพอไปเที่ยวได้เจ็ดวันแล้วแต่ท่านก็กลับมาหารถใช่ไหมพอกลับมาหารถท่านก็ขึ้นมาขับรถแต่พวกเราคิดดูซิว่าในขณะที่ติดเครื่องไว้ทั้งเจ็ดวันน้ํามันมันจะเป็นยังไงน้ํามันจะปกติไหมน้ําปกติไหมน้ํามันปกติมันต้องแห้งใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านเข้าสู่ อุปาที่เสสนิพผานท่านกลับมาหาร่างกายของท่านอพอเข้าสู่ร่างกายท่านก็หิวเลยทีนี้เพราะร่างกายมันมันเป็นธาตุสีได้ความบกพ่องของร่างกายมันก็หิวนะร่างกายท่านก็หิวหิวอาหารหิวใครข้าว่ามันขาดนะเนี่ยมันขาดที่จะต้องหาสิ่งมาเพิ่มเข้าไปอีก อ, อาหารบังน้ําบังอะไรเถอะ ท่านก็พอเข้ามาร่างกายท่านก็พิจารณาดูเอเราจะไปโปรดใครนะใครจะมีศรัทธานะีน่ท่านก็มองดูท่านก็เห็นเนี่ยทุกขตะเนี่เป็นผู้ภยัยญาตเอเราจะไปโปรดทุกขตะคนนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามทําบุญกับเราในวันนี้เขาจะปรารถนาอะไรปรารถนาเป็นเศรษฐีหรือปรารถนาเป็นกะหาบดีถ้า พระราชาว่างในช่วงนั้นกับปาถนาเป็นพระราชาก็ได้เป็นพระราชา เ, เพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทํากับพระประเจกผู้เที่ยวที่ออกจากนิโรธสมาบัติหรือว่าทำกับพระอราหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติกุศลในท้ายว่าถูกถูกรางวันหัวแจ็คพอตไป็นร้อกี่เท่าเลยละ่ะแปลว่ารวยขึ้นมาแบบมหามหาศารเลยละ่ะ ه, เพราะว่าเราได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหารตระสาวกผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติจากนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าก็มองเห็นก็คงจะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่คงจะได้ทำบุญร่วมกันกับพระปัจเจกสมัยก่อนเก่านั่นนะพระปัจเจ ก, ก็มองไปก็เห็นทุกตะคนนี้แหละที่จะทำบุญกั บ, บองค์ท่านจากนั้นก็หอกมาเลยพอหอมาท่านก็เดินบินทบาต ชายทุกตาคนนี้ก็ไปอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินสวนมามาเห็นพร ะ, ประเปโจก็เกิดความเคารพท่านน่ะคนที่เห็นเออที่เป็นอุปนิสัยเออมีอุปนิสัยดั้งเดิมเก่าแก่พอเห็นกันก็ต้องอกต้องใจเกิดความเคารพศรัทธาอย่างสดชื่นน่ะเออมันไม่เหมือนกับคู่อริศัตรูกันนะถ้าคู่ศรีอตูก็พอมองเห็นกันเท่านั้นนะยังไม่เคยพบเคยเจอกันเลยนั่นมันขว้างตา แน่มันเป็นอย่างนั้นนะแต่นี้ทุกกตะเห็นพระปัะเจกพุทธเจ้าเห็นแล้วแปลว่าเกือบจะมอบคานกับดินเข้าไปกราบท่านเลยอนะท่านก็บอกว่าพระคุณท่านบิดทาบาทได้อาหารและยังครับผมพระประเจกท่านก็เน่งไม่ได้รอกโยมท่านก็ไม่ว่าใช่ไหมขอเปิดบาทดูซิครับผมพอเปิดขึ้นโอ้อาหารยังไม่มีนี่ขอนิ่มนขับผมไปตามตามกับผมไปกับผมจะ ทำบุญครับผมอพอระปเจกเดินตามหลังทุกขตะไปพอตามไปถึงเะอ่ยทุกขตะก็เรียกแม่บ้านเอออาหารของผมยังมีไหมมีอยู่ทางแม่บ้านเอยเอามาให้ผมหน่อยผมจะทำบุญเสร็จจากนั้นได้อาหารเสร็จเรียบร้อยก่นอนพอระปเจกยืนรอคอยอพอเขี่ยอาหารลงไปครึ่งหนึ่ง พระปเจก็บอกว่าเอาให้โยมทานะนะน่ะแต่ขอยมก็หิวเหมือนกันใช่ไหเพรอไปเกี่ยวญ่ามาใหม่ๆแต่ทุกขตาเนี่บอกว่าเอาเถอะพระเจ้าค่ะอ า, อาหารนี่เป็นอาหารคนคนเดียวข้าพระเจ้าจะถวายไม่มีส่วนเหลื อ, อถวายพราะพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดค่ะค า, าบผมใครค้าว่าตัวเองเนี่ยอมอดยอมตายเลยว่างั้นไม่ได้กินวันเดียวไม่เป็นไรไง อด้วยศรัทธาของทุกตะเนะยจากนั้นก็เกียลงบัตรเสร็จแล้วก็อทุกตะก็ตั้งความปรารถนาเลยทนะีเดียวสาธุนะข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดคําว่าอดอยากเรื่องความคาว่ า, วาไม่มีคําว่าข้าพเจ้าจะจะได้รถเบ้นลถโลอยลถอะไรทองคํากี่หมื่นเอเงินคําเท่าไหร่คําว่าไม่มีฮะ อย่าได้ขอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินนะแต่เราพูดแบบง่ายๆนะพูดง่ายๆแต่ว่าโอ้โหกินความหมายลึ ก, ลกเนนหลือเกินนะหลวงพ่อว่านะอันนี้ไม่ใช่ท่านว่านะหลวงพ่อว่าท่านบอกว่าขอปัดอข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าไม่มีที่ในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินคํานั้นเพราะปัิเจก่อนออท่านเออ รู้อุปาเสัยแล้ว่าเอเขาปรารถนาอย่างที่เขาว่าจะสําเร็จไหมนี่เพระพระเจกกับมองอีกนั่นท่านมองด้วยญาณทัศนสถานของท่านท้อทท้อทโอ้สาเร็จจริงแอบในสง์ของเขาปรารถนาจีนี้สําเร็จจริงพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้พรน่ะเอวังโหตุเอวังโหตุ ขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเถินจะ่ในทุกขตากสาทุในใจพอสาธุในใจท่านนั่นเทพดาเทพพยดาอยู่ในบ้านของเศรษฐีนอยู่ในอยู่ในใกล้ๆกันเพราะชทุกขตานไปภายญาติอยู่ในละแวกอใกล้ใกล้กันใกล้ๆ้บ้านเศรษฐีเทวดาได้ เห็นการทําบุญเท่านั้นเทวดาสาธุสาธุสาธุอยู่ในบ้านเนี่ยเชเทก็ถามเอ้าเป็นใครพูดเนี่ยบะทําไมไม่เห็นตัวทําไมมิได้ยินเสียงเทวดาบอกว่าเทวดาเอออยู่ในบ้านของท่านเอาท่านสาธุอะไรสาธุพับเพราะทุกตะเขาทําบุญวันนี้เขาตักบาตรพราะปิจิตรเจ้าเออเขาังตักบาตร พระปเจกผู้พรเจ้าพระปเจกให้พรเขาขอนโมทนาเนเทวดาบอกพเศธีก็บอกว่าเอ้าเทวดาข้าไปเจ้าทำบุญวันละหกแสนกะหาปณ ะ, ะสี่มุมเมืองประตูประตูทางเข้าเมืองสสี่ประตูแล้วกว็หน้าบ้านของเราอีกหนึ่งแล้วกว็กลางเมืองอีกหนึ่งเป็นห เราทําบุญวันเล่าหกแสนก็หาปณะนะท่านไม่เห็นเหรอทําทําไมจึงไปอนุโมทนากับทุกขะตะการทาบุญเพียงครั้งเดียวเทวดาบอกว่าโอ้อาการทําบุญของเทวทุกขตะกับท่านมันคนละแนวกันอันนี้คื อ, อาการทําบุญทุกตะตะทาบุญกับพระปฏิเยตพรธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติท่านเนี่ยทำบุญให้คนทั่วทั่วไป มีศีลบางมีศีลห้าบางไม่มีศีลมากโดยมากคนไม่มีศีลจะมากกว่าแต่นี้พระปฏิเจตพรธเจ้าท่านออกจากนิโรธจะมาบัตดหาได้ที่ไหนไม่ใช่ของหาได้หาได้ใ น, ในโลกเนี่ย เ, เพราะนั้นท้าสุกตะทำบุญในคราวนี้เป็นบุญกุศลมหาศาลอันหน่าอนุโมทนาอย่างอย่างเอเขาก็ทําอย่างสุดชึ่งของเขาอีกต่างหากหน่าอนุโมทนาโอ้พอเศรษฐีได้ยินท่า น, นแหละบัดเนี่ โอ้จงไงยังไงเราก็ต้องไปแบ่งไปแบ่งเอาเศรษฐีมึงมีแต่ใช้เงินใช่ไหมละ่ะผมือกับเศรษฐีต่างๆเขามีอะไรก็ไปซื้อเอาซื้อเอาลักษณะอย่างนั้นน่ะเศรษฐีเนี่ยเลจะไปซื้อบุญอีกเลยเนี่เข้าไปหาทุกกตาอกโอ้ทุก๊กตาแต่แกทําบุญแล้ววันนี้ะโอ้ครับผมทําบุญยังอิ่มอยู่ในบุญอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านเศรษฐีมั้งถ้าอย่างนั้นเ อ, เ, อเอาให้เราสักเราจะซื้อ เออก็คือแบบซื้อราคาเน้อน้อยใช่ไหมล่ะเออเจ็ดแปดบาทสิบบาทลักษณะอย่างนั้นน่ะเออทุกขตาโอ้ยไม่ขายยังไงไม่ขายพอในสุดจนถึงแบนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ขายโหเออทุกขตาบอกว่าถ้าผมจะแบ่งให้ท่านได้ผมจะต้องต้องถามพระประเจกพุทธเจ้าซะก่อนถ้าผมถามประเจกพุทธเจ้าแล้วพระองค์บอกว่า แบ่งให้ได้ผมจึงจะแบ่งถ้าท่านว่าแบ่งให้ไม่ได้ผมจะไม่แบ่งเออเอาทํำยังไงท่านที่จะมาอีกเ อ, อทุกขตาก็บอกว่าผมมั่นใจว่าพระเจตพุทธเจ้าท่านมีญาณรัตนะเ อ, อถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานพระ อ, องค์ท่านก็คงจะมาโปรดเออจากนั้นทุกขตาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานพร ะ, ระเจก็มาอีกท่านใดมาเขาเนี่ยก็เลยถามพระประเจว่า ข้าพระเจ้าจะแบ่งบุญให้เศรษฐีที่เขาจะเอาเงินให้นี่อจะเป็นประการใดหนอขกผมจะแบ่งให้ได้หรือแบ่งให้ไม่ได้อย่างไรพระปฏิเจยขพุทธเจ้าบอกว่าทกาตาเหมือนเธอมีมีไฟเล่มมีเทียนเล่มหนึ่งจุดเทียนอยูออจ่จุดเทียนอยู่เล่มหนึ่งถ้าว่ามีใคร มาขอจุดเทียนมาขอจุดไฟจากเทียนของท่านท่านว่าไฟของเทียนของท่านอะ่ะจะบกพ่องไหมทุกตบาบอกไม่บกพ่องครับผมไฟของข้าพระองค์ยังอย่างเก่าเขาได้ไฟไปเขาก็ได้ไฟไปใช่ไหมใช่ครับผมก็ไม่แพ้กันเออนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันบุญกุศลถ้าเขาขอแบกให้ไปเลยนะ อให้เขาไปเลยถ้าเขาแบ่งสมบัติให้กับเอาเลยครับผมทุกตาก็เลยเศรษฐีกขาบ่กเอาไปไงทุกตาเพราะพระเจ้าพุทธเจ้าท่านว่าไงนั่นแบ่งได้ครับเออเอ า, เอาท่านอย่างนั้นผมจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเศรษฐีว่านะ่อแบ่งครึ่งหนึ่งเลยเมีทรัพย์แปดสิบปัต์ให้สี่สิบปัวตและก็แบ่งอะไรทุกอย่างให้ครึ่งหนึ่งให้ทุกกตะเป็นเพื่อนกั น, เ, เ, ปนเป็นมิตรกัน เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันทุกขะก็เลยล่ํารวยขึ้นมาแบบทันทันตาเลยท่นี่นี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่พระอนุรุทธะในอดีตชาติของพระอนุรุทธะนะท่านได้ทํากับพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่มาในครั้งนี้ท่นี่พอท่านมาเกิดเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพ ร, พระเจ้าจุดโทธนานี่ มีน้องชายชื่อว่าชุดทอธนสุโกธนโทนโต ท, ท, ท, ทนอมิโตธนปะมิตาอมิตาน้องสาวสองน้องชายสี่อคนแต่หลวงพ่อจําไม่ผิดนะให้พวกเราไปดูอีกก็ได้ในพุทธประวัติแต่อนุรธทธาในเกิดเป็นลูกผู่น้องน้องชายของอพระเจ้าชุดโทธนคือพระบิดาของพระพุทธเจ้าของเราเอ่ท่านก็พร้อมที่จะสวยราชเหมือนกันนะ เป็นน้องมหานามฮะมหานามก็คือเป็นพี่ชายของพระอนุรุธทธะที่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่นี้เพื่อเป็นนมเออไปเล่นส ก, กากบแพ้เขาพอแค้เขาเนี่ยเขาก็กินขนมถ้าใครแพ้ให้ผลกินขนมคนนั้นแต่ทีนี้ผลีนสุดก็อนุรุธทธะเนี่ยแพ้เขามาตลอดเขาก็กินขนมอนุรุธทธะตลอดเลยเออทีนี้ก็ เวลากินขนมก็ไปบอกให้มหาดเล็กตัวเองไปเอาขนมแม่เอาขนมคุณแม่ไปมาเลี้ยงหมูพ่อเอาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สงขนมหมดทีนี้ขนมหมดบอกแบบมหาดเล็กบอกว่าพระลูกเจ้าครับพระแม่เจ้าบอกว่าขนมหมดแล้วขนมไม่มีครับเออนั่นแหละเขาเราจะไม่เคยได้ยินว่าคาว่าไม่มีไปไปไปเอาไปเอาว่าเอาขนมที่ไม่มีนั่นแหละเอามาให้เราะ เนี่ยพ่อน่ะพ่อน่ะเกิดมาแล้วคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินฮะทางในผู้แม่มหาดเล็กเขาวิ่งจั่นเข้าไปหาพระแม่เจ้าครับพระลูกเจ้า บ, บอกว่าต้องการขนมไม่มีคําว่าไม่มีเลยอยากจะได้โอ้ลูกของเราหนอคําว่าไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีฮะเอาถ้าวันนี้เขาจะรู้ว่าคําว่าไม่มีนั้นคืออะไรเนะีทางพระมารดาของพระองค์ท่านอนุรุธานี่ก็เอาภาชนะใบหนึ่งมาทำความสะอาด เช็ดให้แห้งแล้วเอาใบหนึ่งมากระรอบเลยใครๆเอาผาชนาิครอบเป่าทั้งสองฮะใบหนึ่งเอาใบหนึ่งมาครอบไปส่งไปให้พระลูกลู ก, ล, กลูกเรานะเขาไม่รู้ว่ามันหมดนั่นคืออะไรตอนนี้มหาดเล็กก็สั่งมาใหญ่ก็ต้องเอาไปอย่างนั้นใส่ในบากรเดินไปเพื่อจะให้พระลูกเจ้าใช่ไหมเทพพระยายดาทั้งหลาย รักษาเมืองโอ้อันนี้คื อ, คอพระอนุรุทธะเนี่ยอนุรุทธะเนี่ยกุ ม, มารเนี่ยเขาตั้งความปรารถนาไว้กับพระประเจกพุทธเจ้าคราวนั้ น, นคำว่าไม่มีในคำนี้อย่าให้ได้ยินในข้าพเจ้าเกิดทุกภพทุกชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาขนมใส่ในถาด น, นี่สีสาก้องเราแตกเป็นเจ็ดภาคเพราะเรารู้เราเห็นอยู่เทพพญาก็เลยเอาขนม ใส่ในถาดนเนะต็มเอดเลยสิอพอเจอไอ้พอพอไปถึงแล้วก็เอาม า, ามายกมาโอโ้ขนมอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยเอาเลี้ยงหมูที่นี่ใครก็โอ้โอาหารขนมทำไมอร่อยถึงขนาดนี้พอจะเน้นอนุรุหท่ากันน้อยใจแตเอแต่ก่อนแม่คงไม่รักเร า, เาแต่ก่อนเราไม่เคยได้กินเลยขนมอย่าง แต่แดงว่าแม่นี่ไม่เคยรักเราเอาแต่ขนมห่วยๆให้เรากินแต่ขนมดีๆอย่างนี้ทําไมคุณแม่ไม่ทําให้เรากินตะก่อนเอกลับมาก็เลยบอกว่าคุณแม่ทําไมทําขนมตะก่อนทําให้ผมกินเนี่ยทำให้ผมรับทานเนี่ยทำขนมไม่ดีเลยแต่อันสุดท้ายเนี่ยทำไมทําขนมดีแล้วเกิดผมทานแล้วโอ้อร่อยมากแม่กระตกตะลึงกับเอกเหมือนกัน่ออแม่ของอนุรุธทานเอ้า เป็นไงมหาเด็กเป็นยังไงล่ะโอ้อาหารขนมดีอย่างดีเลยคุณแม่เออแม่โอ้ดีใจลูกของเราหนอเ อ, อเป็นผู้มีบุญจึงได้เป็นอย่างนี้จากนั้นมาถ้าว่าพระอนุรุทธะเนี่ยอนุรุทธะกุ ม, มารอยากจะเวยอยากจะสวยขนมเมื่อไรเอ่อพระมารดาก็เอาถาดสองใบมาแล้วก็ครอบกันเลยส่งให้เลยเื่อนเต๋อ ถนนเต็มถาดเลยโขกครั้งเลยอันนี้แหะคือความเป็นมาของพระอนุรุทธะเถร ะ, ะจากนั้นเมื่อพระองค์จะปรินิพานเพราะเป็นน้องชายใช่ไหมลูกต่างๆพมารดาพอพระพุทธองค์จะปรินิพานในวันเดือนหกเพนที่เมืองกุศินาราพระอนุรุธะก็ น, นั่งเฝ้าเหมือนกับพระสงฆ์ทั้งหลายนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าพอพระธองค์บอกว่า ขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะัมปาเด่าติสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพระองค์สั่งว่าจะสุดท้ายนะจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าสมาบัติเลยทึงทำการปรินิพานนะ ทําการปณิธานเข้าปฐมฌานตุติฌชานชตาติฌชานชจตุทธาฌานจนถึงสัญญาเวทยิ่ตนิโรธสมาบัติคือเป็นสมาบัติชั้นที่เจ็ดจากนั้นก็ย้อนลงมาอีกพระสงฆ์ทั้งหลายก็นั่งนิ่งพระ อ, องค์ก็นั่งพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าก็เงียบพราะพระองค์ปิดพระโอษฐ์นั้นไม่พูดล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัย เอพระพุทธเจ้าปรินิพานได้ยังพระอนุรุทธเถระเนี่ได้รับเอธาตะคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้นิรุตติปฏิสัมพิธายานใครรู้จิตใจของใครใครคิดเรื่องอะไรพระอนุรุทธะนี่ยอยากจะรู้รู้ได้หมดใครคิดเรื่องอะไรทันใดพระโสดก็เลยถามว่าท่านท่านอนุรุทธเถระครับเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานได้ยังพระอนุรุทธะวอย่างเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ พราะพุทธเจ้ากําลังอยู่ในฌานนั้นนะในฌานที่ที่หที่6กํานังนเนี่ยเขาฌานที่7จ็ดเล่นแล้วย้อนลงมาอีกร้องย้อนลงมาอีกที่ที่ที่หที่ห้าที่สที่สที่สองที่หนึ่งนี่ยกำลังย้อนกลับไปอีกพอพระธองค์ไปย้อนไปถึงฌานที่4กับที่หรูปฌานกับอรูปฌาน รูปประชานคือฌานที่4อรูปประชานคือฌานที่หพงงระธองค์ปรินิพานในระหว่างรูปรประชานกับอรูปปัจจานที่4กับที่หป ร, รินิพานตรงนั้นพอป ร, รินิพานเสร็จแล้วพระอนุรุธทธาก็บอกว่าพระพุทธองค์ป ร, รินิพานแล้วหมดเลยจากสมมุติแล้วสมมุติไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่รู้จะเอาสมม ต, ติตัวไหนไปเปรียบเทียบเหมือนกับนกบนินในอากาศไม่มีรอยหมดแล้วพระธองค์ป ร, รินิพานแล้วนะ อันนี้ก็คือพระอนุรุทธะเถระที่เป็นน้อง เ, อเป็นลูกผู้น้องอลูกลูกของอาลูกของอาพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเพราะนั้นเรื่องการสั่งสมบุญกุศลสั่งสมบัรมีทั้งหลายเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าได้เกิด มาได้ทําบุญได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างองค์ท่านถึงกลไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะแต่พวกเราก็เก็บหอมรอมริบสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้ทําไปแล้วไม่ไปไหนมันเข้ามาบุญกุศลเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราทําบาปก็เหมือนกันนะลูกหลานคณะสัตยาธิโยมนะถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วความชั่วและนะ้วนั่นก็ไม่ไปไหนอีกเหมือนกันนะ เขามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายท่านยังบอกว่าอักตังลุกตังเส้ยโยปัจฉาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นให้ผลตนนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพื่อให้พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของ พระพุทธเจ้าได้พบพระธรรมคําสอนขององค์หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรามีแต่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีให้พวกเราใช้ปัญญาเอใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนั่นละ บ, บุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้แล้วนั้นจะเป็นผลทางเป็นเบียงเดินทางของพวกเราเอไปนานเท่านานทีเดียวคนนั้น ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่ท่านประ ก, กาศให้เราฟังตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีห้าทุกวันถ้าอยู่ในละแวกนี้นะฟังที่สวนแสงธรรมร้อย5จ็เมกะเฮิร์เนี่ยท่านจะพูดเรื่องธรรมะปฏิบัติเรื่องกิเลสกับธรรมรมกับกิเลสภายในจิตใจของพวกเราถ้าเราศึกษาหลายครั้งต่อหลายโหนเราจะเข้าใจในธรรมคาสอนขององค์หลวงตาในเมื่อเราได้ฟัง เข้าใจแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรานั่นแหละมรรคนิพพานก็จะเป็นของเราเองไม่ใช่ของหลวงตานะเอ่หเพนพัฒน์พีแต่ว่าไปขุดเอานะทองอยู่ตรงนั้นนะ เ, เพชรเนรจินดาอยู่ตรงนั้นนะท่านไปขุดเอานะเอ่่ถ้าพวกเราเไม่เชื่อนะเราก็เฉยไม่ไปขุดแต่พ่อเราไปขุดเข้าไปเราก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาไม่ใช่ของหลวงตาเป็นของพวกเราเพราะเหตุไรพราะเราไปขุด ได้เพชรนินกินดาก็เป็นสมบัติของเราอันนี้ก็เหมือนกันองตาเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเราแต่พวกเราปฏิบัติตามแนวแถวหรือปฏิปทาเรือ ว, ว่าแนวความคิดที่หลวงตาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเราปฏิบัติตามพวกเราก็จะประสบความสุขแล้วก็เป็นเศรษฐีธรรมขึ้นมาได้โวยง่ายเพราะเพราะหลวงตาท่าน ได้ผ่านไปแล้วท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านจริงแนะนําบอกกล่าให้พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้หลวงพ่อว่าพวกเราโชคดีนะคณะกฐาญาติโยมลูกหลานโชคดีอย่างมากที่เราได้เกิดพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พบศีลพบธรรมแล้วก็นําคิดพิจารณาดูซิว่าที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นนิยานิธรรมเป็นสวากาตธรรม เป็นธรรมที่พวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เป็นคนดี เ, เรื่องศีลท่านแนะนำยังไงเรื่องสมาธิท่านแนะนํำยังไงท่านปัญญาปัญญาเนี่ยท่านแนะนําสเำท่านแนะนําอย่างไรปัญญาคือการพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลจนเอาชนะใจของตนเองได้นั่นแหละปัญญาอันบริสุทธิ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะ หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดมากลายอย่างวันนี้และก็พร้อมกันตอนนี้ไปก็ให้เปิดเอ็มพสาใ ห, ให้ฟังต่ออีกนะฟังเทศของลงตาอีกไม่นานเหตุกัรน์ในถนดเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องสินสมาธิปัญญานะองค์หลวงตานะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะคณับนั า, า, า ญ, ญาติจม ลูกหลานทุกคนนะ เ, เพราะว่าเรานอนนอนมาพอแรงแล้วละ่ะนอนในโลกวัฏสงสารนีปฏิบัติธรรมดูสิเฝินดูสิวันพุ่งนี้เราก็ไม่ได้ทำงานอยู่แล้วนะเป็นวันวันอาทิตย์นะี่ยวันนั้นเราวันนี้เราก็เสียสละออกพึชปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราเแล้วก็พร้อมกันวันพุ่งนี้ก็อย่าลืมนะ พวกเราจะได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลต่ออีกหลอรูปวงองค์หลวงตาจะหาได้ที่ไหนไม่ใช่ว่าหลอทุกวันไม่ใช่นะนานทีพวกเราจะได้ร่วมใจกันหลอรูปองหลวงตาเพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม่จากรูปองจากรูปองหลวงตาศิลธรรมของหลวงตาเป็นสิริมงคลตลอดอันนานนานเท่านานครับ เอาต่อไปนี่ก็นั่งสมาธินที่นี่เนาะ